www.fisf.rmutt.ac.th ตอแจางนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเพลินภาษานาน า, นาสาระดมเนินรายการโดยอาจารย์โสพลสาธรสำริดผลสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีมุ่งมั่น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 หลวงพ่อองค์หนึ่งครับมาหลวงพ่อนี่คือพระประธานะนะครับก็คือหลวงพ่อโตที่วัดพนัญเชิงว่าทําไมหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงหลวงพ่อโตวัดกัญญาณมิตรถึงเรียกหลวงพ่อโตขณะที่วัดระคังก็มีสมเด็จพระพุทธาจารย์โตจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรอตอบตอนนี้ก่อนนะครับว่าหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงวัดกัญญาณมิตรนั้นเนี่ย ก็คือหลวงพ่อที่ไม่มีองค์จริงๆหมายถึงไม่มีตัวตนจริงขณะที่สมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์โตพรหมรังสีที่วัดะระฆังนั่นก็มีองค์จริงเอาละวันนี้ไหนๆก็พูดถึงหลวงพ่อโตละอ่ะแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลวงพ่อโตก่อนแล้วกันหลวงพ่อโตที่เรารู้จักกันดีก็คือหลวงพ่อโตซึ่งเป็นองค์ประธานที่วัดพนัญเชิงจังหวัด พระนครสีอยุธยาคนจีนนี่เรียกว่าหลวงพ่อซัมปอกงคำว่าซัมปอกงมาจากไหนต้องเท้าความกันไปก่อนว่าซัมปอซัมหรือซานเป่าเนี่ยนะครับซัมซานแปลว่าสาป้อหรือเป่าในภาษาเออป้อภาษาไต้จิ๋วเป่าภาษาจีนกลางแปลว่ารัตนะก็คือ รัตนไะตรรัตน์ว่างั้นเหอะอันนีพูดกันง่ายง่ายเพราะฉะนั้น อ, องค์นี้ถึงได้ชื่อว่าพระพุทธไตรรัตนนายกก็คือสัมปงกงนี่เองเรื่องนี้ต้องสืบเนื่องไปตั้งแต่สมัยที่เจิ้งเหอได้นำกองเรือมหาสมบัติออกสมุทรยาตราจากเมืองจีนไปยังประเทศต่างๆ เจิ้งเหอเป็นใครเจิ้งเหอเป็นขันทีของประเทศจีนซึ่งตามประวัติศาสตร์นั้นบอกว่าท่านเป็นมุสลิมท่านไม่ใช่เป็นชาวพุทธมาก่อนท่านเป็นมุสลิมตอนนีเ้เดิมนั้นแท้คือแท้มาก็คือแท่เบหรือในเรื่องกรงกรรมที่บอกอบ้านแ บ, บ, นแบ้บ้านแบ้่ก็คือบ้านของ ตระกูลแท้เบ้แต่ว่าคนจีนออกเสียงเบว่าแบ้นี่เองเออจ้งเหินนี่เป็นชาวมุสลิมมาก่อนแล้วก็ได้รับพระบรมราชองค์การให้เดินทางไปค้าขายทั่วโลกแล้วก็เวลาต่อมาก็หันมานับถือาศาสนาพุทธแล้วก็ได้รับพระราชทานแท้ใหม่ เป็นแซ่จึง้งก็คือแซ่แซ่แต้ประมาณอย่างเงี้ยนะครับของ้าแต่จิว๋วเออจึ้งเหอเนี่ยพอเดินทางไปประเทศต่างๆเนี่ยในแถบแถบบ้านเรานอกจากบ้านเราก็ยังมีมาเลเซียมีอินโดนีเซียซึ่งก็มีเรื่องราวเล่าขานตำนานไปถึงตัวเจึ้งเหอด้วยกันทั้งสิน้นทางฝั่งบ้านเรานี่จึ้งเหอเอากองเรือมหาสมบัติเข้ามาเยือน กรุงศรีอยุธยาในประมาณรัชสมัยสมเด็จพระนครอินแล้วก็เลยกลายเป็นชื่อไปในเวลาต่อมาที่พูดกันอย่างนี้ก็เพราะว่าเข้าใจอย่างนี้ว่าตามที่เล่าสืบสบกันมาก็คือการที่เราสร้างหลวงพ่อโตขึ้นมานั้นเนี่ยหลวงพ่อโตนี่เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่งไปเกี่ยวอะไรกับเจิ้งเหอเดี๋ยวค่อยว่ากันเนี่ยนะครับเป็นพระพุทธ ร, รูปปางมาราวิชัยขนาดใหญ่พระพักรูปสี่เหลี่ยมตามแบบศิลปะอู่ทองซึ่งเข้าใจว่าน่าจะมีอายุก่อนอายุทยาด้วยซ้ำไปตามพระราช พ, พ, รราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษร น, นิดที่ชำระขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เรียกหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงว่า พระพุทธเจ้าผนังเชิงคําว่าพผนังเชิงหรือพนันเชิงในเวลาต่อมาหรือจะมีคนแย้งว่าพนันเชิงไม่ใช่ผนังเชิงเพราะพะนันเชิงมาจากพระนางเชิงอาจจะค่อยว่ากันมาถึงคําว่าพผนังเชิงท่านอาจารย์จิตภูมิศักก์ก็เห็นด้วยตรงกันกันกบหม่อมราชวงศ์คึกฤิ์ปราโมทว่า พนงเชิงน่าจะเป็นภาษาขเขมรแปลว่าขัดสมาดคือขัดข้อพับข้อว่างั้นเถอะเข้าใจว่านี่น่าจะเป็นชื่อดั้งเดิมของหลวงพ่อโตที่เรียกตามพุทธลักษณะที่นั่งขัดสมาดก่อนจะเพี้ยนเป็นพนันเชิงในปัจจุบันแต่คนอายุทยาหรือคนที่เรียนรู้เรื่องนี้มาบอกว่าไม่ใช่พนงเชิงแต่มันเป็นเรื่องราวของ สมัยพระเจ้าสายน้ําพึ่งสมัยกรุงศรีอยุธยาก็คือพระเจ้ากรุงไทยเรานี่แหละก็ลงเรือเสด็จไปถึงเมืองจีนพระเจ้ากรุงจีนก็เห็นว่าเอาละยังไงก็เป็นเจ้าฟ้าเจ้านายก็เลยยกพระธิดาบุญธรรมคําว่าพระธิดาบุญธรรมก็คงจะเป็นลูกของขุนนาง ผู้ใหญ่ในวังมากกว่าที่จะเป็นลูกสาวแท้ๆของพระเจ้ากรุงจีนลูกสาวบุญธรรมชื่อว่าพระนางสร้อยดอกหมากอันนี้คงจะแปลกันมาเป็นไทยแล้วละ่ะพระเจ้ากรุงจีนก็เลยยกนางสร้อยดอกหมากให้เป็นอัครมหเหสีแล้วก็แต่งสำเพอห้าลำเครื่องอุปโภคบริโภคมามา ยกให้กับพระเจ้ากรุงไทยหรือพระเจ้าสายน้ำพึ่งแล้วก็ให้คนจีนตั้ง500คนติดตามมายัางกรุงศรีอยุธยาด้วยตามหลักฐานประวัติศาสตร์นั้นบอกว่าพระเจ้าสายน้ำพึ่งเสด็จเข้าวังแล้วก็ไม่ยอมเสด็จไปรับพระนางส้อยดอกมากทำให้พระนางน้อยพระไทย รุ่งเช้าพระเจ้าสายน้ําผึ้งถึงได้สเสด็จไปเชิญพระนางมาด้วยความที่คงจะงอนคงจะอะไรประมาณอย่างนั้นสลา ม, มังก็ไม่ยอมไปพระเจ้าสายน้ําผึ้งก็ทะลึ่งไปสับพยอกว่าอะไม่ไปก็อยู่นี่ซะแล้วกันพระนางส้อยดอกหมากเสียพระไทยมากจึงกลั้นใจตายตรงนั้นนั่นเองจึงเป็นจุดที่เรียกว่าพระนางเอาเชิง หรือพระนางเชิงก็คือพระนางผู้ย่อยิ่งพระเจ้าสายน้ำพึ่งเชิญศพมาพระราชทานพระเพลิงที่แหลมบางกระจะแล้วก็สร้างวัดขึ้นมาสถาปนาเป็นพระอารามชื่อว่าวัดพระเจ้าพระนางเชิงชะรอยว่าจากพระนางเชิงจึงกลายมาเป็นพนันเชิงด้วยประการฉะนี้แต่การที่เราโยงหลวงพ่อโตไปเข้ากับ เรื่องราวของเจิ้งเหอนั้นก็เพราะว่าเจิ้งเหอหนี่ตามประวัติศาสตร์บอกว่าเป็นผู้ที่มีคุณูปการกับคนไทยมากเพราะว่ามาที่นี่แล้วเหตุที่เราเรียกกันว่าหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตนั้นเนี่ยแล้วก็ได้ชื่อใหม่ว่าพระพุทธไตรัยรัตนานายกเนี่ยนะก็เพราะว่าเจิ้งเหอพอมาถึงเมืองไทยแล้วคงจะเกิดจิตศรัทธาจึงได้ ร่วมบริจาคเพื่อที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้มากกว่าก็คือสร้างเขาสร้างหลวงพ่อโตแล้วคงจะปรักหักพังไปสลัมังก็เลยสร้างกันขึ้นมาใหม่ในตอนต้นๆ น, นั้นเนี่ยไม่ได้มีมนดบครอบลงมาแต่อย่างไรแต่อย่างไรมีแต่เพียงเป็นการแจ้งเท่านั้นเองก็เห็นโดดเด่นเป็นสงา่า คนไทยเชื้อสายจีนหรือคนจีนเองก็นับถือสัมปะกงหรือสัมปะกงหรือพระพุทธไตรรัตนนายกหรือหรือหลวงพ่อโตที่เราเรียกกันก็เพราะว่าองค์ท่านโตมากก็เลยเรียกกันเป็นอย่างนี้เชื่อกันว่าท่านจะอำนวยความสะดวกให้สำหรับคนที่ทามาค้าขายสำหรับการ ปกป้องบ้านเมืองเพราะเชื่อกันว่าครั้งหนึ่งที่มีเอาระเบิดจะลงที่นั่นได้มีมือใหญ่ๆมาปัดเอาระเบิดไปลงในแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้ประชาชนอยู่รอดปลอดภัยกันขึ้นมานี่ก็เป็นแต่เพียงเรื่องเล่าทอดๆกันมาแล้วกันสำหรับเรื่องราวของหลวงพ่อโตผู้ที่มีจิตศรัทธาหรือจะเดินทางไปกราบสักการ ะ, ระท่านก็เชิญได้ที่วัดพนัญเชิงที่อยุธยากับ วัดกัลยาณมิตรที่ฝั่งทนบุรีความจริงแล้วยังมีอีกหลายองค์นะครับองค์หนึ่งก็อยู่ที่8ดริ้วองค์นี้น่าจะสักประมาณ400ปีเห็นจะได้อยู่ที่วัดอุภัยน่าจะน่าจะมีโอกาสสำหรับท่านที่เดินทางไป8ดริ้วก็อาจจะเลยไปหลังจากที่ไป นำมัส ก, การหลวงพ่อโสธรแล้วก็ลองไปที่วัดอุภัยเพื่อไปนำ้ำมัสการหลวงพ่อโตอีกสักองค์หนึ่งก็คงไม่เสียหลายเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาคุยกันต่อกับรายการเพลินภาษานานาสาระครับรายการเพลินภาษานานาสาระสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีมุ่งมั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคล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 ทางเธอไม่กล้ามองไม่จ้องตาไม่คอยมาเจอเดียวจะเพอเกิดหลุดปากอะไรไปบังเอิญคืนนั้นพอจันทร์สุดส บังคับกั น, กนจนฉันทนไม่ไหวไม่มีทางนี้ได้เลยฉันเลยต้องเอ่ยปาบอกรักเธอรักเธอมานานแสนนาน พอเธอได้รู้แล้วเธอโกรธไหมมันคงไม่ใช่เป็นความผิดฉันต้องโทษดาวโกรธสายลมและโทษพระจันท สั่งฉันให้ฉันต้องบอกเธอไม่มีทางนี้ได้เลยฉันเลยต้องเอ่ยปากบอกรักเธอรักเธอมานานสั ไม่มีทางนี้ได้เลยฉันลยต้องเอ่ยปาบอกรักเธอรักเธอมานานแสนนานไม่อยากให้ เพียงแต่คืนนั้นทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริง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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีศูนย์รังสิตปากทางเข้าเมืองเอกหยุดวันนักขัดตเลิกสอบถามโทร02 592 1991สนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMT Moving Towards Innovative University คุยกันด้วย เรื่องเก่าๆโบราณโบราณด้วยเรื่องหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงก็ว่ากันด้วยเรื่องชื่อมีคนถามกันอีกเช่นเดียวกันว่าคนไทยสมัยนี้นี่นชื่อแปลกแปลกประหลาดประหลาดเยอะมากทั้งชื่อจริงชื่อเล่นหรืออะไรแล้วสมัยก่อนเขาเรียกกันอย่างไรบ้างอาจารย์ชัยเรืองศิล์เขียนไว้ในหนังสือ ประวัติศาสตร์ไทยด้านเศรษฐกิจความตอนหนึ่งบอกอย่างนี้ว่าออคนไทยสมัยก่อนเนี่ยมีประเพณีตั้งชื่อลูกแปลกว่าสมัยปัจจุบันคือกำหนดตายตัวแน่นอนว่าคนเนี้ยชื่อเนี้ยคือลูกชายคนที่หนึ่งหรือลูกสาวคนที่หนึ่งจะต้องมีชื่ออย่างนี้อย่างนั้นคนที่สองสามสี่อะไรเงี้ยก็มีชื่อซึ่งค่อนข้างจะตายตัวแน่นอนลงไปเช่นถ้าหากว่า ครอบครัวหนึ่งมีลูกเป็นผู้ชายลุ้นล้วน12คนลูกจะมีชื่อเรียงลำดับตามอายุไปดังนี้อ้ายีย่สามใสวัวงัวออกเสียงไ ม, ไม่แน่ใจลกเจดเจ้าจงหนึ่งสองนี่ถ้าเป็นลูกชายนะถ้าเป็นลูกสาวลุ้นล้วนสิคนคนหัวปีก็จะชื่อว่าเอื้อย แล้วต่อต่อไปจะเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันต่อไปก็จะเป็นอ e ีอาร์อีอเอกแอดเอาและก็คนสุดท้องถึงจะตั้งชื่อว่าอังการต nice. ั้งชื่อซ้ำๆกันแบบนี้เนี่ยบ้านโน้นก็ชื่ออ้ายบ้านนี้ก็อ้ายอ้ายโน้นอ้ายนี่เลยงงกันไปใหญ่สับสนในการเรียกชื่อจึงเกิดประเพณีการเติมคาที่แสดงลักษณะเฉพาะเข้าไป เช่นคนโตชื่อว่าอ้ายก็อาจจะเป็นอ้ายผาเรืองคนที่สองชื่อยี่ก็ จ, จะเป็นยี่คําหาวคนที่สชื่อใสก็จะเป็นใส่หรือไทยคนที่หเป็นงัวก็เป็นงัวนําถมอะไรประมาณอย่างนี้ประเพณีการตั้งชื่อแบบนี้เกิดขึ้นสมัยสุขโขทยัยตกทอดไปจนถึงอยุธยาตอนต้นได้ในยุค อายุทยาตอนกลางซึ่งมีชาวต่างชาติเข้ามาในเมืองไทยแล้วก็บันทึกเรื่องราวของคนไทยไว้ค่อนข้างละเอียดจะเห็นว่าประเพณีการตั้งชื่อเรียงลำดับตามอายุอย่างที่ว่าก็คือในสมัยสุขโขทยัยนั้นก็เลือนหายไปแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ตามความนิยมหลังๆมาก็ชื่อหมายถึงในอายุทยาก็จะเป็นชื่อเดียวๆออกเสียงง่ายๆเช่น ปานบ้างเหล็กบ้างทองบ้างเดือบ้างแก้วบ้างอย่างนี้เป็นต้นพอมาถึงสมัยนี้ก็การเวลาผ่านไปก็มักจะเป็นชื่อฝรง่งฝรั่งกันเข้าไปแทนจะเป็นพยางเดียวชื่อเบนชื่อเบียรชื่อกอฟก็อาจจะกลายไปเป็นสองพยางคขึ้นมาเช่นชื่อแพนเค้กบ้างละ่ะชื่อตุตะชื่อตูมตามชื่ออะไรก็ก็เป็นเรื่องหนึ่งของ ภาษาซึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้พูดถึงคนสมัยก่อนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอาหารการกินของคนไทยสมัยก่อนว่ากินอยู่กันอย่างไรสิ่งซึ่งเราต้องทำความเข้าใจก็คือว่าสังคมไทยเป็นสังคมแบบเกษตรกรรมแล้วก็ผลิตข้าวบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักข้าวซึ่งใช้บริโภคนั้นก็มีทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว ชื่อบอกอยู่แล้วว่าข้าวเจ้าหมายความว่าเจ้าจะกินข้าวเจ้าส่วนผู้ใช้แรงงานลูกจ้างลูกอ่อนข้าทาสบริวารทั้งหลายกินข้าวเหนียวมันจะจจะได้อยู่ท้องมั้งเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าทําไมเรียกข้าวเจ้าก็ด้วยประการเหล่านี้เพราะว่าข้าวที่เจ้าเขาเขากินกันตามบันทึกนั้นบอกว่าคนไทยสมัยก่อนเนี่ยด้วยความที่ อุดมสมบูรณ์มากเนี่ยอยู่ตรงไหนก็มีกินนึกจะกินก็ได้กินนั่นเป็นเหตุว่าชาวตะวันตกพอเข้ามาสัมพันธ์กับคนไทยเราก็มองว่าคนไทยเป็นคนขี้เกียจความจริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่ความขี้เกียจมังคนไทยติดสบายเพราะไม่ต้องดิ่นรนขนขวายอะไรมากนักปลูกอะไรก็โยนโยนไปเดี๋ยวฝนฟ้ามันก็ตกต้องตามฤดูกาลมันก็ออกดอกออกผลให้เรา รับประทานได้นั่นน่ะทํทให้คนเขามองกันว่าเราขี้เกียจความจริงแล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นเรื่องคนไทยอดออมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอีกเพราะว่าหมายถึงว่าคนทั่วๆไปเนี่ยนะครับมีข้าวมีปลาแห้งปลาเค็มอะไรก็กินได้แล้วคำถามคือเอา้ากินแต่ปลากันหรือถึงได้มีมีคำพูดว่ากินข้าวกินปลา หรืออะไรอะไรก็มักจะมีคําว่าปลาเข้าไปอยู่ในนั้นที่เราพูดคําว่าปลาก็เพราะว่าในแม่น้ําบ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์แล้วมันก็คงจะไม่ได้เน่าเสียเหมือนทุกวันนี้แค่ลงไปไว่ายน้ําในแม่น้ําลําคลองเราก็อาจจะเจอเจอปลามาตอดแข้งตอดขาแล้วละ่ะเหมือนกับที่ชาวฝรั่งเขาบอกว่าลงไปไว่ายน้ําแล้วมันมีปลาเข้ามา อ, อดอยู่มากมายคนไทยเราปลาสมัยก่อนเนี่ยก็ด้วยความมันเหลือเยอะบางทีบางหน้ามันอาจจะปลาไม่ค่อยที่จะมีเข้าวยากหมักแพงก็เลยต้องทําปลาเก็บกันไว้ก่อนก็คือปลาร้าอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมของแถบอุษาคเนย์นี่แหละแถวไทยแถวลาวแถวเขเมรอะไรเงี้ยก็รับประทานปลาร้ากันมาตั้งแต่นานนมละ มีคำถามว่ะแล้วไม่คิดจะกินเนื้ออื่นบ้างหรือคำตอบก็อาจจะบอกได้ว่าเนื้ออื่นๆคนไทยเราสมัยก่อนเนี่ยนานๆมาแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยที่จะรับประทานเนื้อของสัตว์ตัวใหญ่ๆเช่นเนื้อวัวเนื้อควายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่ค่อยจะจะจ ะ, จะนิยมกินกันเท่าไหร่เราก็จะกินแต่ปลาร้าและที่ ปาหลก็คือชาวฝรั่งเศสทูดลาลูแบร์บอกว่าแม้แต่ปาร้าก็เป็นที่นิยมชมชอบไม่น้อยไปกว่าไข่ตายโคมตักแตนหนูพวกหนูพุกหนูนาพวกแย้พวกด้วงอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเรื่องราวของคนไทยสมัยก่อนมีคำถามจากคนจีนนักศึกษาชาวจีนเขาก็ง ง, ง, งว่าทำไมเขาสังเกตว่า อาหารไทยนี่ไม่ค่อยมีผักถ้าเขาสั่งอาหารอะไรที่เป็นผักแล้วก็มักจะแพงอันนี้ตอบได้ด้วยวัฒนธรรมแบบคนไทยว่าคนไทยเราไม่ค่อยนิยมรับประทานผักเราไปอบรมสั่งสอนกันตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่กันว่าผักมันขมหรืออะไรก็ไม่ทราบไม่แน่ใจเหมือนกันสังเกตไหมว่าผักเนี่ยเราได้รับวัฒนธรรมมาจากชาวจีนผักคนะน้า ผักขึ้นช่ายผักอุ้ยช่ายผักบังตุ้งอะไรเงี้ยคนไทยไม่ได้ปลูกหรอกคนจีนเอาเข้ามาเพราะคนจีนเขาปลูกเขากินคนไทยถึงได้รับวัฒนธรรมก่อนหน้านั้นเราไม่ได้รับประทานผักหรอกเราจะกินอะไรที่มันเป็นไม้ยืนต้นจะมากกว่าเช่นแกงใส่ยอดมะกขามหรือใส่ใบโน่นใบนี่อะไรเงี้มากกว่าเพราะะนั้นผักเนี่ยเพิ่งจะมาทีหลังคนไทยก็ ออกจะไม่ค่อยที่จะคุ้นชินกับการรับประทานผักเท่าไร่อันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องชื่อคนไทยด้วยเรื่องอาหารไทยของชีวิตแบบวิถีไทยสมัยก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อว่ายังมีอะไรสมัยก่อนที่เราพอจะคุยกันได้อีกสักครู่เดียวครับ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 ว่าด้วยเรื่องของที่มาของคําไทยบางคําอาจารย์สอพลายน้อยบอกว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องปัญหาย่าปากคอกเพราะว่าเราใช้กันจนชินจนเราไม่ทันนึกว่ามันมันมีที่มาที่ไปอย่างไรอย่างมีคนถามว่าทำไมเรียกแผงที่ติดบ่าเสื้อเครื่องแบบข้าราชการว่าอินทนูน่าจะไปเกี่ยวข้องกับพระอินทร์ มากอยู่นะหรือจะมีที่มาที่ไปอย่างไรเพราะฉะนั้นนุ ก, กรมบอกสั้นๆแต่เพียงว่าอินเทนูคือสายรุ้งหรือเครื่องประดับบาอย่างหนึ่งและก็อาจจะเป็นชื่อลายขอบที่เป็นกระหนกได้ความรู้เท่านี้ก็ไม่น่าจะพอจันสอพรายน้อยได้กรุณาหาหลักฐานมาจนพบว่ามีประกาศในสมัยรัชกาลที่6ว่ามีพระบรมราชองค์การ ในพระบาทสมเด็จพระประเมนทรามาหาวชิราวุธิพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวดํารัดเหนือกล้าวสั่งว่าแผ่นท่าบ่ายยศเครื่องแต่งตัวข้าราชการนั้นตามความในพระราชกําหนดเครื่องแต่งตัวทหารบกทหารเรือเสือป่าตํารวจภูธรและกรมพลตระเวนทั้งพระราชกําหนดเครื่องแต่งตัวข้าราชการพลเรือนทั่วไป ยังมีคำเรียกต่างๆกันอยู่ว่าบาเฉยๆบ้างบายศบ้างแผ่นกรรม่หยีติดบ่าบ้างไม่เป็นการสม่ำเสมอกันจึงทรงพระกรุณาโปรดกระโปรดกระหม่อมให้แก้คำในพระราชกำหนดเหล่านั้นให้เรียกแผ่นทาบาทั้งฝ่ายทหารแลกลกกรมที่อนุโลมอย่างทหารฝ่ายพลเรือนว่าอินทนูตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นั่นก็แปลว่าคำว่าอินทนูนั้นเนี่ยได้บัญญัติขึ้นมาตั้งแต่ปี2457ก็นับเป็นร0 0ปีแล้วส่วนใครจะไปเรียกเป็นอย่างอื่นหรืออะไรก็กแล้วแต่ความจริงแล้วเนี่ยนะคำว่าอินทนูนี่ถ้าจะว่ากันไปเนี่ย คนที่อยู่ในวงการละเมงละครจะรู้ดีว่าจะเรียกเฉพาะเครื่องรูปงอนแหลมๆที่บ่าเครื่องละครเครื่องต้นเท่านั้นเช่นออตัวเอกที่เล่นโขนเล่นละครหรือละครชาตรีอย่างนี้เป็นต้นมากกว่าถึงจะเรียกว่าอินทนูแต่ก็ด้วยความที่ใช้ใช้กันไปแล้วก็ไม่รู้ที่มาที่ไปกันไปก็ได้ที่มาแล้วละ ว, ว่ามาจากสมัยราชการที่6นี่เอง มีคำหนึ่งก็เป็นคำที่จะเรียกว่าหยาบแล้วอยู่ๆมันมันมาหยาบกันได้อย่างไรหรือมันไปเป็นลักษณะนามกันได้อย่างไรคำนี้ก็คือคําว่าหาคําว่าหานี่เวลาเราได้ยินเรามักจะได้ยินในปฏิทินสงกรานเช่นว่าฝนจะตกในจักรวาลเท่านั้นหาตกในโลกมนุษย์เท่านี้หา ปัญหาคือทำไมถึงเรียกจำนวนน้ำฝนน้าฝนว่าหาและหาหนึ่งมีจำนวนน้ำฝนเท่าไรใช้อะไรเป็นเครื่องวัดคนโบราณนี่เวลาเขาจะวัดนี่ฝนตกเอาบาทหรือเอาหอยโข่งมาตั้งไว้กลางแจ้งถ้าเผื่อน้ำเต็มบาทเต็มหอยโข่งแล้วก็เรียกว่าหาห น, นั่นก็แปล ว, ว่าน้ำตกเต็มหนึ่งบาทพระเท่ากับหน่หา การที่พูดว่าตลอดทั้งปีฝนตกในโลกมนุษย์ห้าร้อยหา700หาก็มีที่มาที่ไปอย่างนี้นี่เองมาถึงคำว่าหาเข้าใจว่าคำนี้น่าจะสันนิษฐานอีกทางหนึ่งคือมาจากคำว่ามหาซึ่งแปลว่ามากเป็นภาษาแขกภาษาอะไรเขานั่นแหละ เวลาเขาเห็นโรคภัยไข้เจ็บชุกชุมเนี่ยเขาก็จะพูดว่าโรคมาหาโรคามาหาทีนี้ด้วยความที่แขกพูดเร็วๆเนี่ยเราก็จะยินไม่ค่อยถนัดโรคมาหาโรคมาหาเลยกลายเป็นโรคหาก็เหมือนกับฝนตกได้หาหนึ่งนี่แหละก็เห็นจะเป็นพวกแขกพูดกันเข้ามาเราหมั้งว่ามันตกมาเยอะฝนตกมาหลายหาหลายหาเราก็เลยใช้ตามๆกันมาโรคหาก็คือโรค ไอ้วาตกระโรคเพราะว่าเป็นโรคท้องร่วงที่มันติดต่อกันแล้วก็ตายกันไปเยอะๆขออภัยแขกก็เรียกโรคมหาโรคมหาก็เลยกลายเป็นโรคห่าด้วยประการเหล่านี้มีคําอื่นๆอีกเช่นคําว่าหมั่นไส้อยู่ๆเราก็พูดหมั่นไส้แต่เราก็ไม่เคยสงสัยว่าเออทาไมเราเราพูดหมั่นไส้เราพูดหมั่นเขี้ยว เราทำไมไม่พูดมันมือมันแขนคำนี้นี่ในขุนช้างขุนแผนนี่มีตอนหนึ่งพูดอย่างนี้ว่านางพิมพพิลาไหลครั้นได้ฟังแขนข้างอัดอั้นให้มันไส้อันนี้พูดอย่างนี้นะครับว่ามันไส้ไม่ได้พูดว่ามันไส้ในเรื่องนี้นี่มีเสียงซึ่งทำให้ เข้าใจว่ามันไสมาก่อนเนี่ยในเรื่องชัยเชษก็พูดเช่นกันเช่นว่าบัตรนั้นวิลาฟังว่าหน้ามันไสจึงน่าจะพอสันนิษฐานเลยว่ามันไสเดิมคงพูดว่ามันไสมากกว่าเหมือนเราพูดว่ามันเขี่ยวมันเขี่ยวแล้วกลายเป็นมันเขียวมันไสมันไสแล้วกลายเป็นมันไสอาจจะมีที่มาที่ไป อย่างนี้ก็เป็นไปได้เอาละมาถึงคำสุดท้ายที่จะพูดในวันนี้คือคาว่าบาทขออภัยคำว่าบาทคนไทยใช้คำว่าบาทนี่ในความหมายหลายอย่างเช่นคำว่าคว่มบาทคำว่าสลกบาทถลกกับบาทสลกกับบาทอะไรเงี้ยเราเราใช้กันมามากคำว่าคว่มบาทเนี่ยเดิมนั้น ปรากฏอยู่ในเรื่องเล่าซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นในในไทยเนี่ยนะครับเข้าใจว่าน่าจะเกิดขึ้นในลังกามีกษัตริย์ลังกาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระยาทาโถวประดิษฐ์ที่2เรียกกันตามพระนามเดิมว่าหัตถทา่าทะกุมานพระราชานี้ก็นึกจะทรงสร้างพระวิหารลงในที่แห่งหนึ่งแต่พระเถระเจ้าทั้งหลายก็ไม่เห็นชอบด้วย ไปห้ามว่าสีมานี้นี่ไม่ควรมีแต่พระหัตถธาตุทกุมารก็ไม่ทรงเชื่อก็ทําไปตามความพอพระไทยของพระองค์พระเถวระเจ้าทั้งหลายพอทราบเรื่องก็เห็นว่าพระราชาไม่เชื่อฟังพระสงฆ์ซึ่งทักทวงก็เลยพากันลงทันตกรรมสวดความบาปพระราชาการที่พระราชาถูกสวดความบาปนั้นก็เป็นไปตามพระบาลีที่มีบัญญัติอยู่ในพระวินัย ซึ่งพระพุทธองค์ตั้งเป็นพุทธายาไว้ว่าแม้นอุบาสกคนใดไม่เลื่อมใสศรัทธาไม่เชื่อฟังคำพระวินัยได้พยายามจะให้ภิกษุเสื่อมทรามจากลาบสักการะทั้งปวงปากกล้าสาบานด่าทอต่อตีสงฆ์องค์ขเจ้าแล้วก็ให้สงฆ์ทั้งหลายกระทำการคว่มบาตรได้จะจะ ให้ยกโทษก็ต่อเมื่อคนที่ถูกคว่มบาทนั้นได้สำนึกโทษและขอขมาต่อพระสงฆ์แล้วก็ให้ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายถือบาทหงายไปเหมือนเวลาไปบินทบาทและไปยืนอยู่ที่ประตูบ้านของอุบาสกที่ถูกคว่มบาทนั้นก็ถือว่าได้ยกโทษให้แล้วมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับจำนวนก็คือเถ็นสองบาท เราเคยได้ยินกันว่าเถ็นสองบาทแต่เราก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรคำนี้หมายถึงการที่ทำในสิ่งที่คนไม่รู้จริงแล้วก็ไปทำตัวเองทำ ท, งทั้งที่ตัวเองไม่รู้ว่างั้นเหอะไม่รู้ไม่เข้าใจเล่าเล่ากันว่าครั้งหนึ่งมีพระรูปหนึ่งฉันอาหารแล้วก็ล้างบาทแล้วก็มักจะเห็นว่าท่านจะส่งยกบาทขึ้นมาส่งเสมอเป็นแบบนี้ทุกวันก็มี มีพระองค์หนึ่งเห็นเข้าก็เอองงงงว่าทำไมพระอาจารย์ถึงได้ยกบาดขึ้นมาส่องก็นึกว่าน่าจะเป็นธรรมเนียมของพระมัง้งฉันแล้วล้างแล้วต้องยกบาดขึ้นส่องก็จำไว้ต่อมาท่านอาจารย์ของพระรูปนั้นมรณภาพไปพระรูปนั้นก็จำเอามาปฏิบัติล้างบาดเสร็จยกบาดขึ้นส่องขึ้นส่องคนไปถามว่าท่านส่องทาไม พระรูปนั้นก็บอกว่าก็อาจารย์ฉันทำมาอย่างนี้ฉันก็ทำตามนั่นก็แปลว่าพระรูปนั้นไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจเหตุผลความจริงแล้วพระซึ่งเป็นอาจารย์นั้นเนี่ยท่านส่องดูก็เพื่อจะดูว่าบาศ ม, มีรอยชารุดมีรูรั่วบ้างไหมการส่องตรวจดูถือเป็นการไม่ประมาทเพราะฉะนั้นก็อย่าทำตัวเป็น เห็นสองบาทคือทาไปทั้งที่ไม่เดีย๋ยรู้ที่มาที่ไปซึ่งคนไทยเราอุปนิสัยของการทํางานหรือการถือกันมาเชื่อกันมาเนี่ยค่อนข้างที่จะที่จะเยอะไม่รู้ว่าทําไมแต่ก็ทํากันไปอย่างนั้นเช่นเห็นรุ้งกินน้ําแล้วก็อย่ายกนิ้วไปชี้นะเดี๋ยวนิ้วจะกุดอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นเรื่องที่เราเรา หลอกเด็กกันมาจนเลยได้ชื่อว่าเป็นเถนสองบาและทำตามๆกันมาก็หวังว่าทุกท่านจะได้ความรู้กับที่มาที่ไปของถ้อยคำสำนวนไทยเรื่องราวเกี่ยวกับไทยๆ ไ, ไปบ้างพอสมควรวันนี้หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกับรายการเพลินภาษานานาสาระได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ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 ต่างอะไรจากวันนั้นสิ่งที่เธอทำกับฉันมันเหมือนว่าฉันกำลังดูหนังเรื่องเดิมคำที่เธอได้บอกฉันจากเดิมดมที่ซ้ำๆยิ่งย้ำให้ฉันต้องเจ็บอีกเหมือนเดิมไม่รู้หัวใจฉัน เลืดที่ว่างนี้เธอได้อีกกี่แพลร่งรอยของน้ำตามันทำให้ฉันวันนี้ต้องตัดสินใจเจ็บ ให้ฉันวันนี้ต้องตัดสินใจ Oh. Oh. I just want that body, but when I s a s that, that's me. Like I can't put it out. I know it's not good for us.